มังกรยกภาคสาตอนที่21ตอนตียิงตึงตอนที่สองท่านมังกรที่ว่ายืนอยู่หน้าห้องโถงใหญ่สองมือพล่หลังทอดสายตาไปยังเหล่าสิทธิของสำนักใต้บุปผา สายลมยามเช้าโชยผิวคิ้วเคล้าของเขาสั่นไหวนี่เป็นครั้งแรกที่เราสิทธ์ได้เห็นถึงความจริงจังในท่าทางและน้ำเสียงที่กล่าวออกมาโอชาติาบ้านเมืองจะมีภ<า>ยมัภ<า>ยห ร, หรือกระไร ไ, ไปจางเอ่ยถามขึ้นแทนหมู่สิทธ์ สามภัยแปดทุกข์คือเช่นไรใหญ่ผองเราต้องสร้างศาลาตียิงตึงด้วยเล่าท่านเมืองกรที่ว่าดชีแจงด้วยเถอในอดีตที่ผ่านผลภัยพิบัติกว่าล้างผู้คนอย่างใหญ่หลวงได้เกิดขึ้นที่ต่าง ผู้คนชาวผิวขาวตา้ำข้าวประสบความทุกข์ยากเข็นฆ่ากันด้วยอาวุธตายกราดเกลื่อนมาแล้วถึงสองครั้งสองคราแต่บัดนี้ความทุกข์ยากภัยพิบัติกลับจะเกิดขึ้นในดินแดงของชาวอาเซียนคนผมดำตาดำๆอย่างพวกเราข่าสะท้อนใจยิ่งนัก จึงไม่อาจนิ่งดูดดยอยู่บนเขาได้เราปรมาจารย์ทั้งหลายบนเขาเห็นควรที่ให้ข้าพาท่านผู้มาเพื่อการนี้อันสามภัยแปดทุกที่จะเกิดขึ้นในไม่ช้ามาดแมนว่าผู้คนเดินมาสิบคนจะเป็นผู้ต้องภัยพิบัติถึง9ก้าคนทีเดียวภัยพิบัติกินเวลาเนิ่นนานสามปีแห่งความทุกข์ยาก ที่ลาสฎรจนชนล้องทุกยุคทมินผู้คนจะอกอยากข้าวยากมากแพงเงินไร้ค่าบ้านแตกสาแหลกขาดทรัพย์สินสูญสิ้นด้วยภัยเศรษฐกิจภัยธรรมชาติและอุบัติภัยและภัยยาเสพน้ำตาจะท่วมท้นบ้านเมืองโจนผู้ร้ายจะชุกชุม ข้าจึงจำเป็นต้องให้พวกท่านสร้างศาลาตียิงตึงขึ้นมาเพื่อลองรับความทุกเข็นของผู้คนทั้งยังต้องเป็นกำลังให้เขาเหล่านั้นให้ผู้คนอยู่ในธรรมเพราะธรรมะเท่านั้นจะนำพาให้พ้นภัยพิบัติตียิงตึงจะเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมนำพาผู้คนให้พ้นภัย ท่านผู้หูมีคุณสมบัติที่จะเป็นเจ้าสำนักคนต่อไปและจะเป็นผู้นำพวกเราออกช่วยหูวงชนที่ต้องทุกข์อีกทั้งสา ม, มารถสอนธรรมะที่ประเสริฐแห่งพระพุทธองค์ให้ผู้คนเข้าถึงมรรคผลและข้ากได้ชักชวนท่านท่านเทาประหลาดมาช่วยท่านผู้หูทั้งสองช่วยปกครองและสอนผู้คน สำนักไตบุพภาเล็ตียิ่งตึงซสือไปสิ้นเสียงมังกรที่หวาเราสิ์สำนักไตบุพภาต่างภะษามมือคารวะขอต้อนรับท่านเจ้าสำนักคนใหม่และท่านผู้เท่าประหลาดดีดีพวกท่านไปทำกิจของท่านตามปกติ ข้าจะอย่ปรึกษาการกอร่อสร้างตีหญิงตึงอีกสองสามวันแม่นางโอหยางสางโปรดเตรียมตัวขึ้นเขาไปกับข้าด้วยท่านมังกรทิวากล่าวปิดการประชุมพร้อมกับเดินนำหน้าผู้เท่าประหลาดท่านผูห้หูและแม่นางโอหยางสางเข้าสู่หอพระคำผีควา ม, วามสำเร็ จ, รจหรือมลมเหลว ความรุ่งเรืองหรือเสื่อมโทรมเกิดการผันแปรภายใต้การกระทำของคนวัตตะสงสารไม่แน่นอนเสมือนหนึ่งทุกสิ่งล้วนดับสูนพลิบตาเดียวศาลาตียิงตึงตั้งต่างานและดูสง่างามยิ่งหนักเนื่องเพราะการเร่งรีบก่อสร้างทั้งกลางวันและกลางคืน ศาลานี้จึงเสร็จสิ้นในเพียงไม่กี่เดือนท่านผู้หูเดินตรวจตาความเรียบร้อยของศาลาอย่างชื่นชมในความสามารถของเหล่าสิทธิสำนักใต้บุปผาที่ได้ร่วมแรงร่วมใจก่อสร้างอย่างไม่เห็นแก่เหน็ดแก่เหนื่อยณนะกลางห้องโถงใหญ่ชั้นสองของศาลามีเรือไม้สักลำหนึ่ง ตั้งอยู่ท่ามกลางพระพุทธรูปมีป้ายชื่อเขียนไว้ว่ารัะตะนะนาว า, า, วาข้า ม, ามโอค่ะท่านโจสมนักท่านสร้างเรือลำนี้เพื่อการใด อ, องตัวถามขึ้นอย่างสงสัยเชกเช่นเหล่าสิทธิ์อื่นๆท่านผูหูเอามือรูปลำตัวเรืออย่างชื่นชม ในความสวยงามของลายไมยพร้อมทั้งเอ่ยตอบว่าพวกเจ้ารู้ไหมข้าจะสร้างเรือลำนี้มีสองในด้วยกันประการแรกเพื่อเป็นที่ลึกลึกประวัติของท่านภิกษุควบสิงต้าองฟู่ก่อนที่ท่านจะออกบวชท่านมีอาชีพล่องเรือขายข้าสารระหว่างทางประสบโจรป้น จึงดำลิทถึงภัยแห่งชีวิตมากแม้นผ่านพ้นจนภัยนี้จะออกบวชหาแก่นแท้ของชีวิตและเมื่อท่านได้บวชแล้วจึงค้นพบวิชาหบสิงอันยิ่งใหญ่จึงเป็นประมาจา์ของพวกเจ้าไงหล่ะะการที่สองเรือคือยามพาณะนำพาผู้คนข้ามฝั่งทะเลทุกแห่งวัตักสังสาร ผู้คนต้องทุกข์ก็เหมือนตกอยู่ท่ามกลางทะเลเรือจึงเป็นพานะที่จะเก็บเก็บผู้คนจากทะเลทุกข์ขึ้นสู่ฟังฟังคือพระนิพพานซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของการปฏิบัติธรรมเพื่อหยุดการเวียนว่ายตายเกิดเป็นการหมดทุกข์ที่แท้จริง พวกเจ้าเข้าใจเรือลำนี้แล้วหรือยังสมแล้วที่ชื่อว่าลัตนานอวอข้อมโอคะเสียงผู้เท่าประหลาดก่าวเสริมขึ้นจากฝั่งปันใดผู้เท่าประหลาดแบกกระสอบเข้ามาพร้อมกับพ่อบ้านตัวแปะชิวท่านผู้หูข้าเข้าป่าไปตัดหินมามากมาย ท่านเปิดดูสิยังมีอีกมากกองอยู่ที่ลานไล้การเวลามิทันที่ผู้เท่าประหลาดจะเอ่ยจบองส่วยรีบถามขึ้นอย่างสงสัยท่านอาหินเหล่านี้มาทำอะไรท่านอาจารย์อ๋อออพวกเจ้าไม่รู้ข้าหินเหล่านี้เป็นรัตนาชาตโดยธรรมชาติแล้วเป็นแร่แป้ความถี่ ข้าไปตัดมาจากป่ามามากมายหลายชนิดต่างสีสันเพื่อจะประดับเข้าฝาห้องและใต้แท่นบูชาพลังแห่งหินมีมากหลายเพียงบุคคลที่ต้องถุกเดินเข้ามาประสบพลังของห้องหินจะตัดคลื่นแห่งความทุกข์ยากให้เบาบางลงอย่างอัศจรรย์นี่คือเคล็ดลับวิชาของท่านพิศุกข์ฮบสิงต้าอุ้งฟู พวกเจ้ายังไม่รู้คุณค่ามากมายแห่งหินรัตนชาติแก้วจักรพัทพแก้วกายสิท์เป็นเช่นไรไว้ข้าจะสอนให้ในภายหลังเกิดมาหาแก้วพบแล้วไม่กรรมเกิดมาทำไมเหตุใดอินรัตนชาติจึงมากมายภายในสำนักใต้บุผา เห็นรัตนชาติเราหน่อยมีคุณวิเศษ อ, อย่างไรสำนักไดบุผา จ, จะเป็นเช่นไรต่อไปที่กับกายเป็นตีดยิ่งตึงด้วยสาเหตุใดโปรดติดตามตอนต่อไป